บัดนี้จักได้แสดงธรรมกถาสืบต่อไปจงพาการตั้งใจฟังโดยสัจจะเคารพเิดข้อหภิกษุผู้เป็นที่รักของเทวดาพระพุทธภาสิทธยัสสินทริยานิสมะถังคตานิ อัศยถาสารตินาสุทันตาตหินามานทะอนาสวัสะเทวาปิตตะปิหยันติตาทิโนความว่าบุคคลใดมีอินทรีสงบเหมือนมาที่นายสารถีฝึกดีแล้วละมานะได้แล้วไม่มีกิเลสเครื่องหมักดอง มีความคงที่เทวดาทั้งหลายย่อมรักคนเช่นนั้นอินทรีย์คือตาหูจมูกลิ้นกายและใจที่เรียกว่าอินทรีย์เพราะเป็นใหญ่ในตนเองเช่นตาเป็นใหญ่ในการดูหูในการฟังเป็นต้นอินทรีย์สงบก็คือตาหูเป็นต้นที่ได้รับการฝึกฝนจนสงบไม่มีพยศไม่ยินดียินร้าย เมื่อเห็นรูปฟังเสียงเป็นต้นอยู่ในอำนาจบังคับบัญชาของเจ้าของเหมือนม้าที่สารถีฝึกดีแล้วเจ้าของตาหูเช่นนั้นไม่ต้องทำบาปเพราะรูปเพราะเสียงเพราะกลิ่นและรสและสัมผัสสามารถควบคุมความปรารถนาของตนได้ไม่ตกอยู่ในอำนาจของรูปเสียงกลิ่นรสและโผฏฐะรวมทั้งอารมณ์อันใจคิดจึงเป็นผู้สงบเย็น ข้อว่าละมานะได้มานะนั้นท่านจำแนกว่าถึงสิบประการกล่าวโดยย่อมานะคือความถือตัวท่านงตนการเอาตนเข้าไปเทียบกับคนอื่นเอาคนอื่นมาเทียบกับตนแล้วมีความรู้สึกว่าเราดีกว่าเขาบ้างเราเสมอเขาบ้างเราเลวกว่าเขาบ้างความรู้สึกอย่างนี้ผิดเพราะโดยปกติไม่มีใครเลวกว่าใคร หรือดีกว่าใครโดยประการทั้งปวงไม่มีใครเสมอใครโดยประการทั้งปวงย่อมจะมีบางสิ่งบางอย่างที่คนหนึ่งเหนือกว่าคนหนึ่งหรือเรวกว่าคนหนึ่งยกตัวอย่างความสามารถของรัฐมนตรีคนหนึ่งกับชาวนาคนหนึ่งในบางแง่รัฐมนตรีมีความสามารถเหนือชาวนาแต่ในบางแง่ชาวนามีความสามารถเหนือกว่า รัฐมนตรีมีความสามารถในหน้าที่ของรัฐมนตรีอันนี้ชาวนาสู้ไม่ได้แต่ชาวนาก็มีความสามารถในหน้าที่ของชาวนาเช่นสามารถตรากตามต่อนาวร้อนและความเหน็ดเหนื่อยได้มากกว่ารัฐมนตรีเป็นต้นดังนั้นการนำตนไปเทียบกับคนอื่นหรือนำคนอื่นมาเทียบกับตนแล้วสรุปว่าเราดีกว่าเขาเสมอเขาหรือเลวกว่าเขานั้นผิด ทางที่ถูกไม่ควรเทียบเลยถ้าจะเทียบก็ควรเทียบกับอุดมคติของตนว่าระหว่างอุดมคติกับการกระทาของตนห่างกันเพียงใดหรือใกล้เพียงใดชีวิตของตนได้นำเนินไปใกล้อุดมคติที่ตั้งไว้เพียงใดแล้วการพยายามเทียบตนกับอุดมคติอยู่เสมอทำให้ชีวิตดาเนินถึงอุดมคติอันสูงสุดสาหรับตนเร็วขึ้น ข้อว่าไม่มีอาสวะได้อธิบายแล้วในเรื่องก่อนบุคคลผู้มีคุณสมบัติดังกล่าวมาย่อมเป็นที่รักที่พอใจของเทวดาทั้งหลายและเป็นที่เคารพเทิดทูนของมนุษย์ทั้งปวงพระาศาสดาตรเทศนาเรื่องนี้เมื่อประทับอยู่ที่บุพารามเมืองสาวัตถิทรงปรารกพระมหากายยะระจาญาณเถระมีเรื่องย่อดังนี้ เรื่องพระมหากัจจายนเทระให้ความหมายได้รับการยกย่องจากพระศาสดาว่ามีความสามารถสูงเยี่ยมในการขยายทำให้พิสดานในวันมหาปรวรนาคือวันออกพรรษาวันหนึ่งพระศาสดาและภิกษุสงฆ์หมู่ใหญ่นั่งอยู่ภายใต้ปราสาทของวิสาขามิคารมามดาในบุภาราม ในสมัยนั้นพระมหากระจายนะเทระอยู่ที่อวันตีชนบทพระมหากระจายนะเทระนั้นมีอัธยาศัยพอใจในการฟังธรรมยิ่งนักดังนั้นเมื่อมีการฟังธรรมที่ใดและพระมหาเทระนั่งฟังธรรมอยู่ณที่ใดย่ำเว้นที่ไว้อาสนะหนึ่งสำหรับพระมหากัะจายนะเทระวันนั้นแม้เทา้าสกเทวราชก็เสด็จมาพร้อมด้วยเทพบริยุสัต ยืนเฝ้าพระาศาสดาอยู่ไม่ทอดพระเนตรเห็นพระมหาการยนะจึงทรงรำพึงว่าชนไหนหนอพระผู้เป็นเจ้าของเราจึงไม่ปรากฏอยู่ณนะที่นี้ถ้าพระผู้เป็นเจ้ามาก็จะดีไม่น้อยเลยพระมหากายนะเทระมาในเวลานั้นเท้าสกะเห็นการมาของท่านแล้วดีใจยิ่งนักเข้าไปจับข้อเท้าทั้งสองของท่านพรางตรัสว่า พระผู้เป็นเจ้าของเรามาแล้วหนอเราหวังการมาของพระผู้เป็นเจ้าอยู่ดังนี้แล้วนวดเท้าทั้งสองของท่านบูชาด้วยดอกไม้และของหอมแล้วประทับยืนอยู่ในที่อันสมควรแก่ตนภิกษุทั้งหลายเห็นอาการดังนั้นจึงกล่าว ต, ติเตียนเท้าสกะว่าทรงกระทําเพราะเห็นแก่หน้าพระมหาเทระอื่นๆนั่งอยู่ที่นั้นมากมายเท้าสกะไม่ได้ทําอาการเห็นป่านนั้น แต่ทำกับพระมหากายนะเทระเพียงผู้เดียวพระศาสดาสดับแล้วตรัสว่าภิกษุทั้งหลายธรรมดาภิกษุผู้สำรวมอินทรีย์เช่นมหาการยนะย่อมเป็นที่รักของเทวดาทั้งหลายดังนี้แล้วตรัสพระคาถาว่ายัตสินทริยานิสมะถังคาตานิเป็นอาธิมีนยะดังพรนน า, นาแล้วแต่ตนนั่นแหล ผู้มีวัดดีพระพุทธภาษิตปทวีสมโมโนวิรุจติอินทะขีรูปรโมตาทีสุพโตระหะโทวะอเปตกัถโมสังสารานภวันติตาธิโนแปลว่าผู้ใดมั่นคงประดุษเสาเขื่อนปราชจากความยินดียินร้ายเสมือนแผ่นดิน มีวัดดีผ่องใสดังห้วงน้ำอันปราชจากตมการเวียนว่ายตายเกิดย่อมไม่มีแก่ท่านผู้เช่นนั้นผู้คงที่แล้วอธิบายความธรรมดาแผ่นดินและเสาเขื่อนย่อมไม่แสดงอาการยินดียินร้ายในเมื่อคนทิ้งของสะอาดบ้างไม่สะอาดบ้างลงไปมันคงสภาพปกติอย่างนั้นฉันใดพระกีนาศพคือผู้สิ้นกิเลสแล้วก็อย่างนั้น ท่านเป็นผู้ปราศจากความดีใจหรือเสียใจในลาบเสื่อมลาบในยศเสื่อมยศในสรรเสริญนินทาสุขและทุกข์ท่านเป็นผู้คงที่มีวัดดีผ่องใสประดุดน้ำที่ไม่มีฝุ่นละองเจือปนเป็นน้ำสะอาดบริสุทธิ์สังสาระคือการเวียนว่ายตายเกิดย่อมไม่มีแก่ท่านผู้มั่นคงเช่นนั้นพระาศาสดาตรัส เทศนานี้เมื่อประทับอยู่ที่เชตวนารามเมืองสาวัตถีสรงปรารภ พ, พระสารีบุตรเทระมีเรื่องย่อดังนี้สมัยหนึ่งเมื่อออกพรรษาแล้วพระสารีบุตรมีความประสงค์จะจาริกไปในที่ต่างๆจึงทูลลาพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วออกไปพร้อมด้วยบริวารของตนมีภิกษุเป็นอันมากไปส่งพระเทระเที่ยวทักคนนั้นคนนี้เท่าที่ท่านรู้จัก ภิกษุไปส่งมากด้วยกันท่านจึงทักไม่ทั่วถึงมีภิกษุรูปหนึ่งหวังอยู่ว่าพระเถระจกทักตนบ้างแต่ท่านก็ไม่ได้ทักภิกษุนั้นไม่พอใจและบังเอิญชายสังขาติของพระเถระมากระทบเธอเข้าเมื่อท่านเดินผ่านเธอภิกษุนั้นจึงรีบกลับเข้าไปเฝ้าพระาศาสดาทูลฟ้องว่า พระสารีบุตรถือตนว่าเป็นอัครสาวกกระทบตนแล้วไม่ได้ขอโทษหดีกไปสู่ที่จาริกแล้วพระศาสดาทรงรับสั่งให้พระเถระเข้าเฝ้าขณะนั้นพระมหาโมคคลานะและพระอาหนนคิดว่าพระศาสดาจะไม่ทรงทราบก็หาไม่ว่าพี่ชายของเราไม่ได้มีเจตนากระทบภิกษุนั้นด้วยถือตนว่าเป็นอัครสาวก แต่พระองค์คงมีพระประสงค์จะให้พระสารีบุตรบรรลือสีหานาถเป็นแม่นมั่นจึงรับสั่งเช่นนั้นดังนี้แล้วเที่ประกาศให้ภิกษุทั้งหมดประชุมกันพระสารีบุตรมาเฝ้าพระผู้มีพระภาคเมื่อพระพุทธองค์ตรัสถามคำฟ้องนั้นพระเถระไม่ได้ทูลปฏิเสธแต่กลับทูลเป็นธํานองพันน า, นาคุณนกถาของตนเป็นกลางๆว่าภิกษุใดไม่มีกายยกตาสติ บ่งเล็บสติระลึกถึงความปฏิกูลของกายภิกษุนั้นอาจกระทบเพื่อนพรมจารีรูปใดรูปหนึ่งแล้วพึงหลีกไปสู่ที่จะริกได้เป็นต้นแล้วประกาศสภาพจิตของตนว่าข้าแต่พระโล ก, กนาฏเจ้าข้าพระพุทธเจ้ามีจิตมีความรู้สึกตนว่าเป็นเสมือนแผ่นดินรองรับได้ทั้งของสะอาดและของไม่สะอาดเหมือนน้าลมและไฟ โดยความหมายเดียวกันข้าพุทธเจ้าเป็นเสมือนผ้าเช็ดทุรีไม่ได้สำคัญตนว่าเป็นผู้สำคัญแต่ประการใดเป็นเหมือนเด็กจันทานที่ต้องถ่อมตนอยู่เสมอเหมือนโคอุสสะพะที่เขาขาดเสียแล้วไม่อาจกำแหงทาร้ายใครได้ข้าพระองค์อึดอัดอยู่ในเรื่องกายเสมือนมีซากงูผูกอยู่ที่คอ บริหารกายของตนประครับประคองให้เป็นไปได้เสมือนบุรุษถือภาชนะน้ำมันที่เพชฌฆาตเนื้อดาบอยู่ข้างหลังคอยบังคับว่าถ้าน้ำมันหกเพียงหยดเดียวจะฟันคอให้ขาดข้าแต่พระโล ก, กนาฏข้าพระพุทธเจ้ามีความรู้สึกในตนอยู่อย่างนี้เมื่อพระเทระพรส น, นาคุณของตนด้วยอุปมา9ก้าอย่างอยู่อย่างนี้ แผ่นดินใหญ่ได้แสดงอาการสั่นสะเทือนอ น, อน้อยถึง9ก้าครั้งในขณะที่ท่านอุปมาตนด้วยผ้าเชตุรีเด็กจันทานและผู้นำภาชนะน้ำมันนั้นภิกษุทั้งหลายที่เป็นปุถุชนมิอาจกลั้นน้ำตาไว้ได้รรมะสังเวทได้เกิดขึ้นแก่พระสกีนาศพขณะนั้นความเราร้อนในสรีระได้เกิดขึ้นแก่ภิกษุผู้กล่าวตู่พระเถระ เธอได้หมอบลงแทบพระบาทของพระผู้มีพระภาคและประกาศโทษของตนพระศาสดาขอให้พระสารีบุตรยกโทษให้ภิกษุนั้นเสียก่อนก่อนที่ศรีรษะของเธอจะแตกเป็นเจ็ดเสี่ยงพระสารีบุตรได้ประกาศยกโทษให้และกล่าวว่าหากโทษของท่านมีอยู่ก็ขอให้ภิกษุนั้นยกโทษให้ด้วยภิกษุทั้งหลายชมเชยพระสารีบุตรว่าเป็นผู้มีคุณอันประเสริฐ ไม่โกรธไม่ประทุษร้ายภิกษุผู้กล่าวตู่ตนด้วยมุสาวาดตัวท่านเองยังนั่งกระยงประคองอัญชลีให้ภิกษุนั้นยกโทษให้เสียอีกพระศาสดาทรงทราบแล้วตรัสว่าภิกษุทั้งหลายใครใไม่อาจทำให้ภิกษุเช่นสารีบุตรโกรธได้เพราะใจของเธอมั่นคงประดุดแผ่นดินประดุดเสาเขื่อนและใจของเธอผ่องใสประนึน้าอัญชัยสะอาดปราจจากเปือกตม หรือธุรีเจือปนดังนี้แล้วตรัสพระคาถาว่าปทวีสโมโนโวิรุชติเป็นอาทิมีนยะดังพรรณนามาแล้วแต่ต้นเจ็ดใจเป็นประธานพระพุทธภาษิตสันตังตัสสะมนังโหติสันตาวาจาจกรร ม, มจะส ม, มทัญญาวิมุตตัสสะ อุปสรรตัดสะตาทิโนแปลว่าใจของบุคคลผู้หลุดพ้นเพราะรู้ชอบผู้สงบระงับผู้คงที่ย่อมเป็นใจที่สงบเมื่อใจสงบแล้วกายและวาจาก็สงบด้วยตามพระพุทธภาษีนี้ใจมีความสำคัญที่สุดกายและวาจาย่อมเป็นไปตามใจเหมือนเงาตามตัวคนที่พูดชั่วทำชั่วเพราะใจคิดชั่วก่อน ตรงกันข้ามคนที่พูดดีทำดีเพราะใจคิดดีก่อนในทํานองเดียวกันคนที่มีกายวาจาสงบเพราะใจสงบก่อนคนที่มีกายวาจาวุ่นวายเพราะใจวุ่นวายก่อนเปรียบเหมือนใบไม้กับเงาของใบไม้ใบไม้เป็นรูปใดเงาของมันก็เป็นรูปนั้นการพูดและการทำจึงเป็นกระจกส่องให้เห็นจิตใจความวุ่นวายทั้งหลายทั้งส่วนบุคคลส่วนสังคมและส่วนประเทศชาติ ตลอดไปจนถึงโลกมีมูลเหตุสำคัญอยู่ประการเดียวคือใจวุ่นวายถามว่าทำไมใจจึงวุ่นวายตอบว่าเพราะใจยังมีโลภมีโกรธมีหลงมีความริษยาความทยานอยากอันไม่มีที่สิ้นสุดด้วยสิ่งเหล่านี้ใจจึงมิอาจสงบลงไปได้โลภโกรธหลง น้อยลงเพียงใดใจก็สงบลงเพียงนั้นใจสงบแล้วกายวาจาก็สงบตามไม่มีทุจริตทางกายทางวาจาสังคมก็สงบประเทศก็สงบและโลกก็สงบด้วยไม่มีการประทุสร้ายใดๆอยู่อีกความร่มเย็นก็จะเกิดขึ้นทั่วไปพระศาสดาตรัสเรื่องนี้ขณะที่ประทับอยู่ณนะวัชเชตวันทรงปราลบสามเณรของพระติสเถระมีเรื่องย่อดังนี้ เรื่องพระติสเถระชาวเมืองโกสัมพีพระติสเถระเป็นชาวโกสัมพีเมื่อบวชแล้วก็อยู่ประจำที่กลุ่มโกสัมพีวันหนึ่งอุบาสกผู้หนึ่งนำไตรจีวรเนยใสและน้ำอ้อยมาถวายพระเถระปฏิเสธว่าไม่ต้องการของเหล่านี้เพราะไม่จำเป็นอุบาสกเรียนว่าเขานิมนต์ท่านให้อยู่จพาพรรษา พระที่เขานิมนต์ให้อยู่จำพรรษาจะต้องได้ลาบอย่างนี้ทุกรูปพระเถระจึงบอกว่าไม่มีสามเณรสำหรับเก็บรักษาท่านเก็บรักษาเองไม่ได้อุบาสกทราบดังนั้นจึงให้บุตรของตนอายุเจ็ดขวบบวชเป็นสามเณรอยู่รับใช้พระเถระสามเณรได้บรรลุอรหัตผลพร้อมด้วยปฏิสัมพิธาทั้งหลายในเวลาปลงผมเสร็จนั่นเอง ล่วงไปครึ่งเดือนพระเถระพาสามเณรไปเฝ้าพระศาสดาที่เมืองสาวัตถีพักกลางทางที่วัดแห่งหนึ่งสามเณรจัดแจงปัดกวาดเสนาสนะให้อุปชาจนหมดเวลาไม่มีเวลาสําหรับเตรียมที่พักของตนเองพระเถระทราบดังนั้นจึงให้สามเณรพักในห้องของท่านพอถึงคืนที่สามสามเณรคิดว่าคืนนี้ ถ้าตอนนอนกับพระเถระท่านก็จะต้องอาบัติข้อสหสัยข้อสหสายะก็คือตามพุทธบัญญัติห้ามอนุปัสมบันคือผู้ที่มิใช่ภิกษุนอนร่วมห้องเดียวกับภิกษุเกิน3มคืนท่านอนเป็นอาบัาติปาจิตติข้อสหสัยคือนอนร่วมห้องเดียวกันเกินสคืนสามเณรจึงนั่งอยู่ตลอดคืนไม่ได้นอน ส่วนพระเถระเนื่องจากยังเป็นปุถุชนพอลม้มลงนอนก็หลับเลยตื่นขึ้นตอนใกล้รุ่งจำได้ว่าคืนนั้นเป็นคืนที่สามแล้วที่นอนร่วมห้องกับสามเณรต้องการให้สามเณรออกไปข้างนอกเสียก่อนรุ่งอรุณเพื่อไม่ให้เป็นอาบัติจึงเอาพัดใบตานตีลงที่เสือ่อเพื่อปลุกสามเณรให้ตื่นด้วยเข้าใจว่าสามเณรหลับใบพัดกระทบตาสามเณรจนตาบอด สามเณรไม่ได้พูดอะไรเลยทราบความประสงค์ของอุปชาแล้วเอามือข้างหนึ่งกุมตาแล้วออกไปข้างนอกเมื่อถึงเวลาทําหน้าที่สามเณรไม่ได้นิ่งดูดายว่าตาของเราแตกเสียแล้วเอามือข้างหนึ่งกุมในตามือข้างหนึ่งจับไม้กวาดกวาดบริเวณและเวชจกุ ด, ดีคือส้วมตั้งน้าฉันน้ำชายไว้ให้พระเถระ เมื่อถึงเวลาถวายไม้สีฟันแก่พระอุปชาสามเมเณรส่งให้ด้วยมือเดียวพระอุปชากล่าวว่าสามเมเณรนี้สอนไม่รู้จักจำเคยสอนให้ส่งของให้ด้วยมือทั้งสองนี่ส่งให้ด้วยมือเพียงข้างเดียวสามเมเณรไม่รู้จักวัดอันดีสามเมเณรตอบว่าเธอทราบดีว่าควรทำอย่างไรแต่มือข้างหนึ่งของเธอไม่ว่างจึงต้องถวายด้วยมือข้างเดียวเมื่อพระเถระถาม สามเณรเล่าเรื่องทั้งปวงให้ฟังพระเถระได้ความสังเวชสลดใจว่าโอ๋เนอเราทำกรรมหนักเสียแล้วพระเถระได้นั่งกระโยงประนมมือต่อหน้าสามเณรขอให้สามเณร ย, ยกโทษให้ท่านสัตบุรุษจงยกโทษแก่ชั้นเถิดชันไม่รู้ความจริงเรื่องนั้นจึงดุท่านสามเณรเรียนพระเถระว่าท่านผู้เจริญที่กระผมพูดนั้นไม่ได้ต้องการสิ่งนี้ วงเล็บคือไม่ได้ต้องการคำขอโทษแต่กระผมต้องการรักษาน้ำใจของท่านจึงพูดเช่นนั้นอันหนึ่งขอท่านอย่าได้เดือดร้อนเลยในเรื่องนี้โทษของท่านก็ไม่มีโทษของกระผมก็ไม่มีแต่เป็นโทษของวัตตะต่างหากที่กระผมไม่บอกท่านก่อนก็เพื่อไม่ให้ท่านต้องเดือดร้อนพระเถระแม้สามเณรพูดปลอบให้เบาใจอยู่ก็หาได้เบาใจไม่มีความสดใจยิ่งขึ้น ถือเอาห่อของสามเณรไปสู่สำนักพระศาสดาแม้พระศาสดาก็ประทับนั่งทอดพระเนตรการมาของพระเถระตัดถามว่าภิกษุเธอพอทนได้หรือความไม่ผาสุกอะไรอะไรที่รุนแรงไม่ได้มีหรือพระเถระกราบทูลว่าพอทนได้พระเจ้าค้าความไม่ผาสุกไรๆของข้าพระองค์ไม่มีมีอยู่อย่างหนึ่งที่จะกราบทูลพระองค์ คือใครอื่นผู้มีคุณอย่างล้นเหลือเช่นสามเณรน้อยนี้มิได้มีข้าพระองค์ไม่เคยเห็นเรื่องอะไรเล่าภิกษุพระศาสดาตรัสถามพระเทระทูลความทั้งปวงให้พระศาสดาทรงทราบแล้วเสริมว่าพระเจ้าข้าสามเณร น, นี้เมื่อข้าพระองค์ขอโทษอยู่ยางกล่าวว่าในข้อนี้โทษของท่านไม่มีโทษของกระผมไม่มีแต่เป็นโทษของวัตตะ ขอท่านอย่าได้คิดมากไปเลยสามเณรยังข้าพระองค์ให้เบาใจไม่โกรธไม่ประทุสร้ายในข้าพระองค์เลยข้าพระองค์ไม่เคยเห็นใครสมบูรณ์ด้วยคุณเห็นปานนี้พระาศาสดาตรัสว่าอย่างนั้นแหละภิกษุธรรมดาพระขี่นาสดย่อมไม่โกรธไม่ประทุสร้ายต่อใครๆเป็นผู้มีอินทรีย์สงบแล้วดังนี้แล้วตรัสพระคาถาว่าสันตังตัสะ มะนังโหติเป็นอาธิมีในยะรังพรนานามาแล้วแต่ต้นเมื่อจบพระเทศนาพระติสเถระชาวเมืองโกสัมพีได้บรรลุอรหัตผลพร้อมด้วยปฏิสัมพิธาทั้งหลาย 8. ผู้ไม่เชื่อง่ายพระพุทธภาษิตอัศธธโทอัตันยูจสันทิเสโทจโยนะโร ะตาวะกาโสวันตาโสเวอุตตะมะุริโสความว่าบุคคลใดไม่เชื่อง่ายรู้พระนิพพานที่ปัจจัยปุงไม่ได้ตัดที่ต่อคือวัตตะทำลายโอกาสแห่งการเกิดในพบใหม่คายความหวังทั้งปวงได้แล้วบุคคลนั้นแลเราตถาคตเรียกว่าเป็นอุดมบุรุษอธิบาย คำว่าศรัทธาในพระพุทธศาสนานั้นท่านให้คำจากัดความว่าเชื่อในสิ่งอันควรเชื่อเช่นเชื่อกำรรดีก ร, รมชั่วผลของกำรรดีกรรมชั่วเชื่อในพระปัญญาตรัสรู้ของพระพุทธเจ้ากระนั้นก็ตามพระศาสดายังทรงย้ำให้เชื่อเมื่อตรองด้วยปัญญาของตนเองจนเห็นจริงคนที่เชื่อในสิ่งไม่ควรเชื่อและไม่ได้ตรองให้เห็นด้วยปัญญาของตนเองเสียก่อนท่านเรียกว่าคนเชื่อง่าย ความเชื่อเช่นนั้นไม่มั่นคงแล้วแต่ใครจะซักไปเพราะไม่มีเหตุผลเป็นของตนเองคอยอ้างนั่นอ้างนี่อยู่เสมอความเชื่อเช่นนี้ท่านเรียกว่าจระสัทธาแปลว่าความเชื่อที่ยังหวั่นไหวพรอนแคลนส่วนความเชื่อที่ประกอบด้วยเหตุผลเป็นความเชื่อที่ดีความเชื่อในคุณพระตนตรยัยในมรรคนิพพานของท่านผู้ได้บรรลุอริยผลโสดาปติผลเป็นต้นแล้ว เป็นอาจาระศัทธาแปลว่าความเชื่อที่ไม่หวนไหวแล้วอประปัจโยไม่ต้องมีคนอื่นเป็นที่เกาะเพราะได้ประจักษ์ด้วยตนเองแล้วในชีวิตของสามัญชนคนเชื่อง่ายย่อมเป็นเหยื่อให้คนอื่นหลอกลวงได้ง่ายนำภัยพิบัติมาสู่ตนส่วนคนไม่เชื่อง่ายย่อมไม่ตกเป็นเหยื่อของความหลอกลวงของใครย่อมดาเนินชีวิตด้วยเหตุผลรู้จัก ประมาณตนในการเป็นอยู่และการคบหาสมาคมเป็นคนดีทั้งแก่ตนและแก่คนทั้งหลายคำว่าอากตรัญอยู่ในความหมายสามัญว่าไม่รู้จักคุณของท่านผู้ทำอุปการะแก่ตนแต่ในพระพุทธภาษิตนี้ความหมายสูงกว่านั้นท่านหมายความว่าผู้รู้พระนิพพานที่ปัจจัยปรุงแต่งไม่ได้ ในพระพุทธศาสนาท่านแบ่งธรรมออกเป็นสองลักษณะใหญ่คือ 1. สังคตธรรมธรรมที่ปัจจัยปรุงแต่งได้ได้แก่ธรรมทั่วทวไปทั้งกุศลและอกุศลในบรรดาสังขตธรรมนี้อริยมรรคมีองค์8ดเป็นเลิศ 2. อสังขตธรรมธรรมที่ไม่มีปัจจัยปรุงแต่งได้แก่พระนิพพานอันมีลักษณะย่ำยีความเมาวงเล็บมัทนิมมัทโน นำความกระหายออกปิปาสวินโยถอนอาไลอาลยะสมุคาโตตัดวัตตะวัตตูปัเฉโทสิ้นตันหาตันหักโยสารโกราคะวิราโคดับทุกนิโรโทคําว่าตัดที่ต่อมีอธิบายว่าตัดวัตตะสามอันเป็นเครื่องเชื่อมเครื่องต่อแห่งภพชาติวัตตะสามคือหนึ่งกรรมวัต สองพิปากวัตสามกิเลสวัตกิเลสเป็นเหตุให้ทำกรรมดีบ้างชั่วบ้างเมื่อมีกรรมวิบากคือผลก็เกิดขึ้นได้รับผลดีก็ลุ่มหลงได้ผลชั่วก็โทมนัสสร้างกิเลสใหม่ต่อไปและก่อกรรมต่อไปเวียนอยู่อย่างนี้พระกีณาสุตัดวตตะได้แล้วการกระทำของท่านศักแต่ว่าเป็นกิริยาไม่มีผลเป็นบุญเป็นบาปการให้ผลของบุญ เป็นอันสุดสิ้นกันวัตถามไม่มีอิทธิพลเหนือชีวิตของท่านอีกต่อไปข้อว่าทําลายโอกาสคือทําลายโอกาสในการเกิดในภพใหม่เสมือนเมล็ดพืชที่ถูกทําลายหน่อหรื อ, อยางเหนียวเสียแล้วไม่มีโอกาสงอกอีกต่อไปเหมือนหญิงหมันไม่สามารถมีลูกได้อีกข้อว่าผู้คลายความหวังได้แล้วเพราะความหวังอันใดในการมาพบรูปประพบรูปประพบ ท่านคลายความหวังอันนั้นแล้วอันหนึ่งความหวังในมรรคผลนิพพานท่านก็ถึงแล้วไม่ต้องหวังอีกต่อไปเหมือนพระราชาได้รับอภิเศษเป็นผู้ครองราชสมบัติแล้วความหวังได้บริบูรณ์แล้วจึงไม่ต้องหวังอีกต่อไปบุคคลผู้หวังเมื่อได้สมหวังก็เป็นสุขเมื่อไม่สมหวังก็เป็นทุกข์ผู้ไม่หวังย่อมไม่มีอาการของใจเช่นนั้นครองตนอยู่ด้วยอุเบกขาและสติและญาณโดยตลอด บริสุทธิ์ผ่องใสยอยู่โดยธรรมชาติบุคคลผู้มีคุณสมบัติดังกล่าวมานี้พระศาสดาเรียกว่าเป็นบุรุษผู้สูงสุดในความหมายของพระพุทธศาสนาพระศ า, าะะะสดาตรเทศนาเรื่องนี้เมื่อประทับอยู่ณนะวัชชตวันวิหารทรงปราบรพภาษารีบุตรเทระมีเรื่องย่อดังนี้วันหนึ่งภิกษุผู้อยู่ป่าเป็นวัดประมาณ30รูปไปเฝ้าพระศาสดา พระพุทธองค์ทรงทราบอุปนิสัยแห่งพระอรหันต์และปฏิสัมพิธาทั้งหลายของภิกษุเหล่านั้นแล้วตรัสเรียกภาษาลีบุตรมาแล้วตรัสว่าสาลีบุตรอินรียห้มีศรัทธาเป็นต้นที่บุคคลเจริญแล้วทําให้มากแล้วย่อมก้าวลงสู่อมะตะมีอมะตะเป็นที่สุดแต่อินทรี่ห้ามีศรัทธาเป็นต้นอันบุคคลไม่ได้อบรมแล้วไม่ได้เจริญไม่เจริญสมปทและวิปัสสนา สามารถทำให้แจ้งซึ่งมรรลมีอยู่หรือสารีบุตรเธอเชื่อหรือว่าที่เรากล่าวมานี้จะเป็นไปได้พระสารีบุตรกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ข้าพระพุทธเจ้า ม, มีความเห็นว่าคนใดไม่อบรมไม่ทําให้แจ้งไม่รู้ไม่เห็นไม่ถูกต้องด้วยปัญญาซึ่งอินสี่ห้ามีศรัทธาเป็นต้นคนนั้นย่อมเชื่อคนอื่นว่า อินสีห้ามีศรัทธาเป็นต้นมีอมตะเป็นที่สุดก้าวลงสู่อมตะอันหนึง่งข้าพระพุทธเจ้าไม่เชื่อว่าบุคคลผู้ไม่ได้อบรมอินรี่ห้ามีศรัทธาเป็นต้นไม่ได้เจริญสมรรและพิปัสนาแล้วจะสามารถทำให้แจ้งซึ่งมรรคผลภิกษุทั้งหลายฟังแล้วโจทย์กันว่าวันนี้พระสารีบุตรแก้ปัญหาผิดและไม่เชื่อแม้ในระษาสดา พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงสดับกาถานั้นแล้วตรัสว่าภิกษุทั้งหลายสารีบุตรไม่เชื่อกรรมและผลแห่งกรรมก็หาไม่ไม่เชื่อในคุณพระตัตนตรัยก็หาไม่แต่สารีบุตรไม่เชื่อบุคคลอื่นในธรรมคือยาลวิปัสสนามักและผลเพราะตนได้แทงตลอดแล้วด้วยตนเองไม่ต้องเชื่อผู้อื่นอีกต่อไปดังนั้นใครๆไม่ควรติเตียนสารีบุตรดังนี้แล้วตรัสพุทธภาษิตว่า อัศธโธอักตันยูจะเป็นอาธิมีนยะรังพรณนาแล้วแต่ต้นเมื่อจบพระธรรมเทศนาภิกษุ30รูปผู้อยู่ป่าเป็นวัดได้สำเร็จพระอรัตผลพร้อมด้วยปฏิสัมพิธาทั้งหลายเก้าสถานที่อันน่ารื่นรมพระพุทธภาษิตคาเมวา ยะทิวารัญเยนินเนวายะทิวาทะเลยัตถออรหันโตวิหรันติตังภูมิรามะเนยยกังแปลว่าพระอรหันต์ทั้งหลายวงเล็บผู้ห่างไกลจากกิเลสอยู่ในที่ใดจะเป็นบ้านก็ตามป่าก็ตามที่ลุ่มหรือที่ดอนก็ตามที่นั่นย่อมเป็นสถานที่อันน่ารื่นรม คำว่าพระอรหันต์นั้นเป็นชื่อของท่านผู้ได้บรรลุคุณธรรมอย่างหนึ่งคืออรหันต์หมายถึงความเป็นผู้ห่างไกลจากกิเลสไม่มีโรค ก, กรดหลงเหลืออยู่ในจิตใจอีกเลยคำอรหันต์นี้นอกจากจะมีความหมายว่าห่างไกลจากกิเลสแล้วยังมีความหมายอื่นๆอีกซึ่งท่านกล่าวเป็นคำร้อยกรองไว้เป็นบาลีเพื่อให้นักเรียนบาลีจำง่ายดังนี้อารกตาหา ต, ตาจ กิเลสารีณสโสมุนิหัตสังสาระจักกาโรปัจจยาทีนัมารโหนะระโหกรติปาปานิอรหังเตนะวุจติแปลว่าพระผู้มีพระภาคเจ้ามีพระนามอย่างหนึ่งว่าอรหัน์เพราะเหตุดังต่อไปนี้หนึ่งเพราะทรงเป็นผู้ห่างไกลจากกิเลสสองเพราะเป็นผู้สามารถกําจัดฆ่าสึกคือกิเลสได้ สเพราะทรงหักกรรมแห่งสาราจักรได้แล้ว 4. ทรงเป็นผู้ควรรับปัจจัยสี่ที่ทา ย, ยกถวายด้วยศรัทธา 5. ไม่ทรงกระทำบาปในที่รับข้ออื่นๆมีความหมายแจ่มแจ้งแล้วขอที่บายเฉพาะข้อที่สเพียงเล็กน้อยคือข้อว่าทรงหักกรรมแห่งสังสาราจรได้แล้วสังสาราจรแปลตามตัวว่าการหมุนไปแห่งสังสาระ คือการเวียนว่ายตายเกิดท่านเปรียบด้วยการหมุนไปได้ของล้อรถธรรมดาเมื่อก ร, รมของมันแน่นหนาอยู่แต่เมื่อก ร, รมของมันถูกหักเสียแล้วก็ไม่อาจทรงตัวอยู่ได้สังสาระจักนี้ก็เหมือนกันเมื่อยังมีกิเลสและก ร, รมอยู่ก็ยังหมุนไปได้แต่เมื่อก ร, รมคือกิเลสถูกหักเสียแล้วการหมุนไปสู่ภพน้อยภพใหญ่ก็สิ้นสุดหยุดลงบุคคลผู้มีกิเลสสิ้นแล้ว สันวนบาลีแปลว่าไม่มีกิเลสได้นามว่าพระอรหันต์นี้จะอยู่ที่ใดที่นั่นก็กลายเป็นที่รื่นรมเพราะใจของท่านรื่นรมตรงกันข้ามเมื่อใดใจกังวลเมื่อนั้นบุคคลจะอยู่ที่ใดก็ไม่มีความสุขสถานที่จะดีสักเท่าไหร่อาหารจะประนีสักเพียงไรเมื่อใจไม่มีความสุขมีแต่ความวิตกกังวลเสียแล้วที่นั้นก็เหมือนนรก ความวิตกกังวลเป็นมาของความสุขมนุษย์เราชอบสร้างเรื่องขึ้นมาให้จิตวิตกกังวลเล่นชอบสมมุติล่วงหน้าไปนานๆและมักสมมุติสิ่งที่น่ากลัวสมมุติว่าถ้าเป็นอย่างนั้นอย่างนี้มากมายหลายเรื่องแล้วจะทำอย่างไรคงจะทนไม่ได้เมื่อคิดเช่นนี้ใจก็วิตกกังวลล่วงหน้าไปหลา ย, ลายปีพอถึงเวลานั้นเข้าจริงๆก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นในทางร้ายเลย ความวิตกกังวลล่วงหน้ามาเป็นปีๆนั้นจึงเป็นเพียงความทุกข์กินเปล่าไม่ได้รับประโยชน์อะไรคุ้มค่าเลยด้วยเหตุนี้ทางจิตวิทยาจึงสอนเราว่าถ้าจะคิดสมมุติขอให้สมมุติไปในทางดีผลดีจะเกิดขึ้นจริงหรือไม่เกิดขึ้นก็ตามแต่ผลที่แน่นอนก็คือทําให้ใจของเราเป็นสุขรื่นรม บางทีใจของเราก็คิดถอยหลังไปถึงเรื่องเก่าๆในอดีตที่ผ่านมาดีบ้างไม่ดีบ้างส่วนมากเป็นเรื่องไม่ค่อยดีเพราะฝังใจได้นานกว่าส่วนเรื่องดีมักจะลืมเร็วเมื่อนึกถึงเรื่องไม่ดีในอดีตใจก็กังวลอีกใจของคนเราจึงมีเรื่องกังวลอยู่ทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลังเพื่อความเป็นสุขในชีวิตประจาวันท่านจึงสอนให ฝังอดีตเสียปิดประตูอนาคตเสียอยู่แต่ในปัจจุบันอดีตก็ล่วงไปเสียแล้วอนาคตก็ยังมาไม่ถึงแต่ปัจจุบันนั้นอยู่ในกํามือของเราเราจะทํากับมันอย่างไรอนาคตของเราจะเป็นอย่างไรก็สุดแล้วแต่ว่าเราทําปัจจุบันอย่างไรอดีตของเรามันล่วงไปแล้วกลับคืนไม่ได้อีกแล้วความจริงมันเป็นปัจจุบันของเวลานั้นเหมือนกันถ้าเราทาสิ่งอันไม่ดีไว้มันก็กลายเป็น อดีตอันขมขื่นเราทำดีไว้ก็กลายเป็นอดีตอันรื่นรมฉะนั้นจึงย้ำให้เห็นว่าปัจจุบันสำคัญอย่างยิ่งมันอยู่ในมือของเราแล้วเราจะทำกับมันอย่างไรมีพระรูปหนึ่งอยู่ป่าฉันอาหารครั้งเดียววันหนึ่งมีผู้มาถามท่านว่าทําไมผิวพรรณจึงผ่องใสท่านตอบว่าเพราะไม่ตามเศร้าโศกถึงเรื่องในอนดีตไม่หวังเพ้อในเรื่องอนาคต มีชีวิตอยู่ด้วยเรื่องปัจจุบันเพราะฉะนั้นแม้จะฉันอาหารเพียงครั้งเดียวในหนึ่งวันผิวผันก็ผ่องใสมองในแง่ของการปฏิบัติธรรมปัจจุบันนธรรมนั้นเป็นหัวใจของการปฏิบัติวิปัสสนาเรื่องที่เราชอบวิตกกังวลถึงในอนาคตนั้น90สเปอร์เซ็นตไม่เกิดขึ้นลองทำบัญชีดูก็ได้ว่าในวันนี้เดือนนี้ปีนี้ เราวิตกกังวลเรื่องอะไรบ้างแล้วคอยดูว่าเรื่องนั้นเกิดขึ้นในชีวิตของเราหรือไม่ 90% เอร์ซ์ไม่เกิดขึ้นพระพุทธภาสิทินี้พระาศาสดาทรงสแสดงแก่นางวิสาขามหาอุบาสิกาที่บุพารามเมืองสาวัตถีทรงปรารพพระเลวตเถระน้องชายพระสารีบุตรมีเรื่องย่อดังนี้พระเลวัตเถระเป็นน้องชายพระสารีบุตรน้องชายคนสุดท้อง น้องคนอื่นๆของท่านทั้งหญิงและชายได้ออกบวชตามท่านกันหมดแล้วคือน้องสาวสาคนชื่อจาลาอุปจาราและศรีสุปจาราน้องชายสองคนคือจุนพระและอุปเสนะมารดาของท่านเกรงว่าพระสารีบุตรจะชวนน้องชายคนเล็กบวชเสียอีกจึงคิดจะผูกเกรวัตะกุมารไว้ให้มั่นด้วยเครื่องผูกคือการคลองเรือนจึงจัดแจงให้แต่งงานตั้งแต่อายุเจ็ดขวบ เมื่อญาติประชุมกันอวยพรให้คู่บ่าวสาวญาติทางฝ่ายหญิงได้กล่าวว่าขอเจ้าจงเห็นธรรมที่ยายของเจ้าเห็นแล้วจงมีอายุยืนนานเหมือนยายของเจ้าเรวัตกุมารสงสัยว่าอะไรคือธรรมที่ยายของเด็กหญิงเห็นแล้วคนไหนคือยายของเด็กหญิงเขาถามญาติทางฝ่ายหญิงพวกญาติได้บอกให้เขารู้จักหญิงคนหนึ่งซึ่งมีอายุได้120ปี แต่ฟันหลุดผมหงอกหนังหดเหี่ยวตัวตกกระหลังโกงเรวัตก mm ุมารถามว่าหญิงที่เขาแต่งงานด้วยต่อไปจะต้องเป็นอย่างนั้นเหมือนกันหรือได้รับคำตอบว่าถ้าอยู่นานก็จะต้องเป็นเหมือนกันอย่างนั้นเรวัตกุมารสลดใจว่าสรีระนี้แม้ดูงามแต่ไม่นานนักชราก็จะมากรืนความงามเหล่านั้นเสียหมดสิน้นอุปฏิสะ พี่ของเราคงเห็นเหตุนี้แล้วจึงออกบวชเราเองก็ควรจะหนีออกบวชเสียในวันนี้ทีเดียวเมื่อพิธีแต่งงานเสร็จแล้วพวกญาติได้อุ้มเขาขึ้นสู่ยานกับเจ้าสาวพากลับบ้านเขานั่งในยานไปได้หน่อยหนึ่งบอกญาติว่าปวดท้องปวดอุจจาระขอลงถ่ายอุจจาระพวกญาติก็หยุดยานคอยเขาทำดังนี้บ่อยๆหลายครั้ง พวกญาติเห็นว่าเขาไปาไปมามาบ่อยๆจึงไม่ได้ระวังรักษาเข้มแข็งในครั้งสุดท้ายเขาบอกว่าให้ญาติขับยานไปเรื่อยๆก่อนเขาเสร็จธุระแล้วจะเดินตามไปเมื่อได้โอกาสก็หนีไปยังสำนักของภิกษุเหล่านั้นภิกษุทั้งหลายกล่าวว่าผู้มีอายุคำว่าผู้มีอายุเป็นคำทักทายสาหรับผู้ใหญ่ทักทายผู้น้อย ผู้มีอายุท่านประดับด้วยเครื่องอลังการพร้อมพวกข้าพเจ้าไม่ทราบว่าท่านเป็นพระราชโอรสหรือบุตรของอมาตะจักให้ท่านบวชได้อย่างไรท่านไม่รู้จักกระผมหรือเลวตะตกุมารถามไม่รู้จักกระผมเป็นน้องชายของอุปติสสะก็ใครเล่าคืออุปติสสะท่านผู้เจริญท่านเรียกพี่ชายกระผมว่าสารีบุตรเมื่อกระผมเรียกชื่อเดิมว่าอุปติสสะพวกท่านจึงไม่รู้จัก ภิกษุทั้งหลายกล่าวว่าถ้ากระนั้นมาเถิดพี่ชายของท่านสั่งไว้แล้วเหมือนกันว่าถ้าท่านมาขอบวชให้บวชให้เมื่อบวชแล้วภิกษุทั้งหลายได้ส่งข่าวไปบอกพระสารีบุตรเทระพระสารีบุตรทูลลาพระศาสดาว่าจะไปเยี่ยมน้องชายแต่พระศาสดาส่งขอร้องว่าอย่าเพิ่งไปเลยให้รออยู่ก่อนล่วงไปอีกสองสามวันพระสารีบุตรทูลลาอีก พระศาสดาทรงขอร้องอย่างเดิมและตัดว่าพระองค์ก็จะเสด็จไปเหมือนกันฝ่ายสามเณรเรวัตคิดว่าถ้าเราจะอยู่ที่นี่พวกญาติอาจจะตามมาพบได้จึงเรียนวิธีทำกรรมฐานจนถึงพระอระหันต์แล้วถือบาทและจีวรเข้าไปในป่าไม้สแกวลึกเข้าไปอีกประมาณ30มสิบโยดได้บรรลุอรหั ต, ตผลในปัญษานั่นเอง เมื่อออกพรรษาแล้วพระสารีบุตรทูลลาพระศ า, าสดาเพื่อเยี่ยมน้องชายอีกพระทศพลตรัสว่าพระองค์ก็จะเสด็จไปเหมือนกันพระศ า, าสดาพร้อมด้วยภิกษุสาวกเป็นอันมากเสด็จไปเยี่ยมสามเณรเรวตะเมื่อไปได้หน่อยหนึ่งถึงทางสองแพ่งพระอานน์ยืนอยู่ที่ทางสองแพ่งทูลพระศ า, าสดาว่าพระเจ้าข้ามีทางอยู่สองทางทางหนึ่งอ้อมประมาณ60สิบโยต มีมนุษย์อยู่ตลอดทางอีกทางหนึ่งตรงประมาณ30โยต์เป็นที่อยู่ของพวกอมนุษย์จะเสด็จไปทางใดศีวลีมากับพวกเราด้วยไม่ใช่หรืออานนนคือศีวลีเป็นภาษาวกที่เลิศในทางมีลาบไปที่ไหนไม่อดอยากเมื่อพระศีวลีตามเสด็จด้วยแม้จะไปทางไหนภิกษุสาวกก็จะไม่ลำบากเรื่องอาหาร พระศาสาศดาจึงตัดกับพระอานุ์ว่าให้ไปทางตรง เ, เมื่อพระองค์ถามว่าศิวลีมากับพวกเราไม่ใช่หรือพระอานุนทูลว่ามาด้วยพระเจ้าข้าถ้าศิวลีมาด้วยพวกเราคงไปทางตรงนั่นแหละตำนานเล่าว่าครั้งหนึ่งพวกเทพพระเจ้าได้ช่วยเหลือภิกษุสงฆ์เป็นอันมากทั้งเรื่องที่พักอาศัยและอาหาร พระเทพเหล่านั้นคิดว่าเราจะทําสการะแก่พระศิวลีเทระพระผู้เป็นเจ้าของเราตลอดระยะทางกันดาล30โยต์พระาศาสดาและภิกษุสงฆ์ได้อาศัยบุญของพระศิวลีโดยตลอดฝ่ายพระเรววัตเถระวงเล็บความจริงยังเป็นสามเณรแต่ที่เรียกว่าพระเถระเพราะท่านได้เป็นพระอรหันต์แล้ว ทราบการเสด็จมาของพระาศาสดาและภิกษุสงฆ์แล้วได้ในระมิด ท, ที่อยู่สําหรับภิกษุสงฆ์และที่ประทับของพระาศาสดาด้วยฤทธิ์ของตนพระาศาสดาประทับอยู่ที่นั่นเดือนหนึ่งได้สงอาศัยบุญของพระศิวลีในเรื่องอาหารบิณฑบาตบรรดาภิกษุทั้งหลายที่มาพักอยู่ที่นั่นมีภิกษุแก่สองรูปคิดติเตียนพระเรวัตว่าภิกษุนี้รูปเดียวทําการก่อสร้างเสนาสนะมากมายอย่างนี้ จะมีเวลาบำเพ็ญสำนัธรรมอย่างไรพระศาสดาทรงเห็นแก่หน้าว่าเป็นน้องชายพระสารีบุตรจึงเสด็จมาสู่สำนักของเธอผู้ประกอบนวกรรมคือการก่อสร้างเห็นปานนี้วันนั้นพระศาสดาทรงตรวจ ด, ดูสัตวโลกในเวลาใกล้รุ่งได้ทรงทราบความคิดของภิกษุสองรูปนั้นแล้วเมื่อประทับอยู่ที่นั้นสิ้นเดือนหนึ่งแล้วในวันเสด็จ ออกได้ทรงอธิษฐานให้ภิกษุสองรูปนั้นลืมบริขารบางอย่างไว้เช่นหลอดน้ำมันและรองเท้าเป็นต้นเมื่อเสด็จออกไปภายนอกได้หน่อยหนึ่งก็ทรงคลายฤทธิ์ทั้งสองรูปรู้สึกตัวว่าตนได้ลืมของไว้จึงกลับไปอย่างตลีตะลานถูกน้นาไม้สแก่ตำเท้าพบห่อสิ่งของของตนแขนห้อยอยู่ที่ต้นสแกเพราะเวลานั้นพระเลวัดเถระ ก็คลายฤต์แล้วเหมือนกันเสนาสะนะที่ท่านสร้างขึ้นด้วยฤติจึงหายไปด้วยพระศาสดาสเสด็จกลับมายัางบุพารามภิกษุแก่สองรูปนั้นล้างหน้าแต่เช้าไปดื่มข้าวต้มในเรือนของนางวิสาขาผู้ถวายอาคันตุกวัินางวิสาขาถามถึงที่อยู่ของพระเรวัดว่ารื่นรมหน้าอยู่หรือไม่ ภิกษุพวกนั้นตอบว่ารกไปด้วยไม้สแกมีหนามมากเหมือนที่อยู่ของพวกเปรตต่อมาอีกหน่อยหนึ่งมีภิกษุหนุ่มสองรูปมานางวิสาขาถวายข้าวต้มแล้วถามถึงเรื่องที่อยู่ของพระเรวัดอีกภิกษุหนุ่มสองรูปตอบว่าหน้ารื่นรมจนไม่อาจจะพรรณน า, นาประดุษเทวสภาประดุษเนรมิตรขึ้นด้วยฤทธิ์นางวิสาขาเป็นโสดาบันเข้าใจในความเห็นที่แตกต่างกันของภิกษุ สองพวกว่าพวกหนึ่งคงเห็นสถานที่เมื่อพระเถระยังไม่คลายฤติพวกหนึ่งคงเห็นเมื่อคลายฤติแล้วนางคิดว่าจะทูลถามพระาศาสดาเมื่อเสด็จมาและเมื่อพระาศาสดาเสด็จมาเสวยเสร็จแล้วจึงทูลให้ทราบว่ามีภิกษุสองพวกมีความเห็นแตกต่างกันในเรื่องที่อยู่ของพระเรวัตอย่างไหนถูกต้องพระาศาสดาตรัสว่าอุบาสิกาจะเป็นบ้านหรือเป็นป่าก็ตาม พระอรหันต์อยู่ที่ใดที่นั้นก็น่ารื่นรมดังนี้แล้วได้ตรัสพระคาถาว่าคาเมวายะิวารัญเยเป็นอาธิมีในยะดังพรนน า, นามาแล้วแต่ต้นบุพกรรมของพระสีวลีต่อมาอีกวันหนึ่งพิกษุทั้งหลายสนทนากันถึงเรื่องพระสีวลีว่าเพราะเหตุไรพระเถระจึงอยู่ในท้องของมรรดาตั้งเจ็ปีเจเดือนและเจวัน เพราะกรรมอะไรจึงเคยตกนรกและเพราะกรรมอะไรจึงเป็นผู้เลิดด้วยลาบเลิดด้วยยศพระศาสดาตรัสเล่าบุพกรรมของพระสีวลีให้ภิกษุทั้งหลายฟังว่าในอดีตการสมัย พ, พุทธเจ้าพระนามว่าวิปัสสีพระสีวลีเป็นชายบ้านนอกคนหนึ่งได้ถวายรวงพึ่งแก่ภิกษุสงฆ์มีพระพุทธเจ้าเป็นประมุขไม่ยอมขายน้ำพึ่งแม้มีคนขอซื้อด้วยราคาพันกหาปณะนะ ด้วยอนิสง์แห่งการถวายหลวงพึ่งนั้นพระสิวลีจึงเป็นผู้เลิศ ด, ด้วยลาบและด้วยยศอันหนึ่งด้วยอานิสง์แห่งทานนั้นเมื่อตายแล้วไปบังเกิดในเทวโลกสมัยตอมาจุติจากเทวโลกเกิดเป็นาัทธายาธแห่งกรุงพหานสีเมื่อได้ครองราชแล้วยกทัพไปล้อมนครหนึ่งวายเจ้าครองนคร น, นั้นทําการป้องกันอย่างแข็งแรงให้ชาวเมืองออกไปนาฝืนและน้าเป็นต้นจากภายนอกพระนคร ทางประตูเล็กจึงสามารถของตนอยู่ได้แม้ถูกข่าสึกล้อมอยู่พระราชาพล้อมนคร น, นั้นอยู่ถึงเจปี7เดือนและเจวันพระราชชนนีจึงแนะนําว่าให้ปิดประตูเล็กเสียพระราชาทรงปฏิบัติตามเมื่อชาวเมืองออกไปภายนอกไม่ได้จึงปรงพระชนพระราชาของตนเสียในวันที่7แล้วถวายราชสมบัติแก่พระราชานั้นวงเล็บ คือพระศิีวลีในอดีตด้วยกรรมนี้เมื่อสิ้นอายุแล้วพระราชานั้นบังเกิดในนรกอเวจีเมื่อมาเกิดเป็นมนุษย์จึงทรมานอยู่ในท้องมารดาถึง7ปี7เดือนและนอนขวางช่องคลอดอยู่เจวันเพราะปิดประตูเล็กขึ้นชื่อว่ากรรมอันบุคคลไม่ควรดูหมินอีกวันหนึ่งภิกษุทั้งหลายสนทนากันถึงเรื่องพระเร ว, วัดเถระว่าเป็นผู้มีลาบมีบุญน่าชมเชย สามารถสร้างที่พักแก่พระพุทธเจ้าและภิกษุสงฆ์จำนวนมากได้โดยลำพังตนเพียงผู้เดียวพระาศาสดาเสด็จมาตรัสว่าภิกษุทั้งหลายบุตรของเราไม่มีบาปไม่มีบุญเพราะบาปและบุญเธอละได้แล้วดังนี้แล้วตรัสพระพุทธภาษิตในพราหมณ์วักว่าบุคคลใดในโลกนี้ละเครื่องข้องสองอย่างคือบุญและบาปได้เราเรียกบุคคลนั้น ผู้ไม่โศกปราศจากกิเลสดังทุรีผู้หมดจดว่าเป็นพราม